ฟ <c oughs> ังทำต่ออีกเราก็สวดมนต์สาธยายพระสูตรจะสวดมนต์เพื่ออ้อนมนขอร้องอยากได้อันน้อนอยากได้อันนี้ ให้สวนมนเพื่อพัฒนาตัวเองให้เกิดจิปัญญาเมื่อเกิดนั่งฟังแล้พระเจ้าแสดงธรรมล้วก็ได้ยินยิ่งเราคิดใส่ใจตามเอาคำสอนที่คัดออกมาจากพระสูตร แล้วก็เป็นแต่เรื่องของเราทั้งสิ้นบาละาเวเปัญจขันธา์าขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักขันธ์ห้าคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีทุกข์เพราะอุปทานไปยึดเอาแลาโดยย่ อ, อโอปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ในโลก ถ้าไปยึดเอาเกินพันภาละหนักพาละหนักเป็นทุกข์ในโลกยึดเอของามสุขยึดเอาควาทุกข์ยึดเอาความโลภความชังยึดเอาความดีใจเสียใจทุกอย่างเอามายึดของที่ไม่เที่ยงก็ยึดของที่เป็นทุกข์ก็ยึดของที่ไม่ตัวไม่เป็นตัวเป็นตนก็ยึดถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตน ว่าเป็นของเราก็าเลยหนักพระอรเจ้าสลัดทิ้งแล้วไม่ยึดเอาของนักกันเดิ่งขึ้นมาอีกวางลงแล้วอะไรเป็นสุขวางลงอะไรเป็นทุกข์วางลงอะไรมีความยึดไวในขันหน้าก็ โกรความโลภคมหลงเขาว่ากับเราเขาทำกับเรายืดไ ว, าวา้เบาวางหลมก็เบาไม่มีพละเรามาดยืดด้วยมือไปเจ็บแปลออกมาแต่ว่ามันเป็นอารมณ์อารมณ์มันล่ายกว่าเสือมันทำให้คนเสียผู้เสียคนเสียควมสมดุล จากหายใจปกติจากเลือดวิ่งปกติเลือดในร่างกายเราวิ่งตามปกติลมก็ไปตามปกติหายใจก็ปกติกลมเกลืงินไปยิ่งเคลื่อนไหวอะไรต่างๆคงเกลื่อนกับลมหายใจมันเป็นการเยี่ยวยาตัวเราเมื่อเรามีอารมณ์ไปยืดเอาอะไรต่างๆมันก็ผิดเพี้ยนไป เช่นความโกรธหัวใจมันเต้นเร็วเลือดทุกส่วนมาเลี้ยงหัวใจตรงไหนที่มันทางานหนักเลือดจะวิ่งไปช่วยตรงนั้นให้ให้ให้เยี่ยวหยาเส่นมือเราจับอะไรบ่อยๆมันแดงขึ้นมาไม่เลียวตีลกมันเจ็บเลือด เนื้อเหมือนเจ็บเลือดก็มาหลอเลี้ยงแดงขึ้นตรงที่รอยไม่เลียวจิตใจของเราก็เหมือนกันไปยึดอะไรตรงไหนโดยเพราะเรื่องใจเรื่องหัวใจเนี่ยเป็นอันตรายอารมณ์คลองแคมจิตใจส่วนอื่นก็เพี่ยนได้หมดหน้าสีด อาพาธเกิดขึ้นได้อ่ามันยังเป็นทุกข์ในเชตุที่ทำมาจนเป็นทุกขนะ์อ่าผู้เจ้ามาเห็นเรื่องนี้เขา้าทุกข์ผูวันเกิดการเจอการเจ็บปันตายไม่ใช่ทุกข์เพราะความโกรธมันใหญ่กว่านี้ต่อไปถ้าเราไม่แยกจากนี้ไปเห็นกายเป็นสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ผุ้คนตัวตนเราเขา เห็นสุขเห็นทุกข์สักว่าสุขว่าทุกข์ไม่ใช่จัตบุคคลตัวตนเราเขาเห็นจิตที่มันกุณคิดปกุนคุณคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจรี่ว่าธรรมมาลมวบิดเอาความสุขความเลกความชังความโกรธโลภหลงว่าเป็นตัวเป็นตนให้เห็นเป็นสักแต่วจธรรมแยกไปแยกไป แยกไปแยกไปไม่ไม่ร่วมเดินไปทางนั้นก็ลดทางเห็นแล้วไม่เป็นมันฉุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุขมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเห็นผิดเห็นมันผิดไม่เป็นผู้ผิดการเห็นนี่เป็นการหลุดพ้นได้เห็นผิดจึงพ้นจากผิดเห็นทุกจึงพ้นจากทุกถ้าไปเป็นเรามันก็ไม่พ้น แยกไปแยกไปแยกไปคืนสภาพคืนสภาพจากจิตเดิมเดิมพี่เราใช่ผิดประเภทค่อยๆคืนไปค่อยคืนไปอ้ปอสู่ธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมชาติทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ไม่ทำ ม, มันก็ไม่เกิด เส้นาจึงนข้าวธรรมชาติมันก็ต้องอิม่มการเขี่ยวที่ละคําการคืนทีละนิดละหน่อยมันก็อิ่มขึ้นได้การไม่เป็นอะไรการไม่เป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นเนี่ยส่วนที่บันดีก็ขึ้นเลื่อยขึ้นเลื่อยขึ้นมาในความร้อนก็เย็ยนลงเย็ยนลงเย็ยนลงในการมีวิษก็ถอนวิษถอนพิษออกขึ้นสู่สภาพเดิมกับไวจิตเดิมแท้ ทุกโลทุกคนมีอยู่เดี๋ยวนี้มันพัดถิน่นพัดบา้านกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดพอเรามาฝึกหมันก็เย่อหย่าเย่อหย่าแล้วก็เป็นปกติเฉพาะเรื่องถ้าจะนอนก็หลับทำอะไรก็เฉพาะเรื่องกวดบ้านถั่บ้านทํางานทําการเฉพาะเรื่องแล้ว ก, ก็ มันก็เหมาะใช้การงานถ้าเราฝึกดีเหมาะใช้การทำงานทำการเราจะทาอะไรก็เหมาะเป็นพ่อคนก็เหมาะเป็นแม่คนก็เหมาะจะเป็นครูอาจารย์คนก็ได้จะเป็นลูกศิษย์ก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ตามหน้าที่อันมีหน้าที่ให้มันถูกต้องกาณีความเป็นแม่ไม่ถูกความเป็นแม่ โกรธดีลูกตอดขาดสะลบวิวาดกันเต็มมากเต็มเมืองโธ่ไม่เห็นตามสภาพความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีแต่เหตุแต่ผลเอาเหตุเอาผลมาแย่งกันเอาผิดเอาถูกมาขืนข้ากันแตนที่จะ คนไหนผิดช่วยกันไม่ใช่ไปซ่อมเติมกันคนไหนถูกก็ส่งเสริมในตัวเรานี่ก็มีผิดมีถูกเหมือนกันสิ่งไหนผิดก็ควรรู้สึกตัวแก้ไขสิ่งไหนถูกก็ทําไปเรื่อยควมละความชั่วละแต่พืตะพือความดีทําไปแต่พืต่พือถ้าทุกคนเต่าต้นตรงนี้มันก็สงบร่มเย็นได้ทำงานทาการไปประโยชน์ หน้าที่ของเราเคือช่วยกันเป็นให้ความเป็นมนุษย์เสมอภาคให้มองกันในความเป็นมนุษย์ใครก็ไม่ต้องการทุกข์ใครก็ต้องการความสะดวกอยู่เป็นดิสละภาพอย่าบีเบียนะนะก็เรียกว่าเมื่อเรามอนิสัยเรื่องตัวเราแล้วมันก็คบองจรเข่นเรามาจเจริญสติเราไม่สติดูกายดูใจ ขอเราทุกคนมีกายมีใจต่างคนต่างดูแลตัวเองได้มีสติดูกายกายก็ไม่ทําชั่วก็มีสติรูจจ้จิตใจจิตใจก็ไม่คิดชั่วขณะที่ดูไปก็ทําความดีมีสติก็ทําความดีเคยหลงก็รู้ขึ้นมาเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนตัว เ, เ, เองหันตัวเองหันให้มันเป็น เคยทุกข์กับลูกหัดให้เป็นบา <c oughs> งทีมันจรมาฉ า, ายอัน น, นจรมาแล้วกว็บลูกไม่ไม่ได้เอาโอกรธเป็นโตกโกรธไม่เอาทุกข์เป็นทุกข์ไม่เอาหลงเป็นหลงเปลี่ยนมาเป็นลูกเปลี่ยนมาเป็นลูกบ็ทําความดีเมื่อเปลี่ยนไปปนล่าา ม, ไ ม, ลลไม่เป็นดีจิตมันก็บริสุทธิ์ทุกคนทําตรงนี้กัน นทยหกสิบปว้านคนเกิดดีเพบ่เดียววินาทีหนึ่งมาชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนี้เราไปเกณฑ์มาได้พุทธศาสนาเป็นปัจเจกชนเติมต้นจากตัวคนเดียวใคร ก, ก็มีหลงใครก็กมีทุกไม่ต้องไปอวดด้างกันทุกแบบไหนมีรสชาติกันทั้งนั้น ไอ้ก็เคยมีสุขสุขแบบไหนสุขที่เป็นสมมุติสุขที่อิงอมิตรสุขที่ไม่อิงอมิตรทุกมีอืมิตรทําให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราฝึกดีๆแล้วมันไม่หวั่นไหวอันทุกข์เนี่ยเด็ดขาดอย่างน้อยเราก็ฝึกตนสอนตอนเนี่ยหนึ่งละเราไม่บียเบียนเราเอาเลย สองไม่เบียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเราทำได้เด็ดขาดไม่ต้องไปเชิญใครไม่เบียดเบียนตัวเองอะไรเชื่มไปเกิดทุกข์กิดโทษไม่ทำทาไม่ตัวเองเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ทำทำห้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำสิ่งอื่นเดือดร้อนไม่ทำ เกิจากตัวเราถ้าเราทุกคนตั้งต้นตรงนี้น่ะต่างคนต่างไม่บเบียนตัวเองต่างคนต่างไม่บเบี่ยนคนอื่นถ้าไม่บเบี่ยนตัวเองก็ไม่บเบียนคนอื่นได้ง่ายเห็นใจกันไม่เบี่ยนคนอื่นก็ไม่เปี่ยนเชื้องนถ้าเรายอย่างเบียนตัวเองอยู่ก็ถือว่าบเบี่ยนคนอื่นได้ไม่อายไม่แต่ความหลงก็ไม่อาย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 เก่งมากโดยจะมีสติหรือเปล่าหรือว่าปล่อยตามปล่อยสัมสอนแต่เพืพ้อต่เพืให้เขาไปคิดให้กิดหลับใช้ความคิดความสุขความทุกข์ไม่เสงวนตัวเองไม่ลักสงวนสวนตัวมันสมสรนเรียกว่าโสเพณีกิด จิตสมสน่นเขาหิ้วไปไหนก็ได้แม้แต่พ่อแม่มก็เข้ามันชิดึ้นมาโกรธได้สามารถีพยาโกรธได้รู้เต้าโกรธได้พระสงฆ์เจ้าโกรธได้ฆ่ากันได้ความคิดอะตาชิดึด้นมากลายเป็นอารมณ์ยึดต่อแล้วจึงมาดูเนี่ยกรรมาฐานเป็นที่ทั้งของการกระทํมามันจําแนกไป มันจำแนกไปกำตัวนิ้มจำแนกไปไม่ต้องอ้อนวอนทำเอามีสติดูกายเคลื่อนไหวให้รู้อยู่นี่รู้อยู่นี่หนึ่งวันถึงเก็ดวันมันจะเกิดอะไรขึ้นให้เราพิสูจน์กันตรงนี้แล้วก็เห็นโจ้ ง, งต่อหน้าต่อตาแล้วก็ออก พระสูตรมหาเทายายุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้มาเกิดขึ้นมาแล้วสองพห้ายเก้าสิบปดปีปีนี้แต่นับปริภานสองพันห้ารอยห้าสิบสาแต่นับจากวันตัจโลมาเป็นเจ้าสองพุทห้า้เจ้าสิบ8ปดปีเอาสี่สิบห้าไปบวกกับ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 บ้านใดเมืองใดวัดใดไม่ฝึกไม่สอนเรื่องนี้ถือว่าล่าสมัยไม่มีประโยชน์ต่อกันและกันเดี๋ยวนี้ศาสนาเป็นศาสนาอ้อนวอนไม่ใช่ศาสนาแห่งการกระทำต้องมีการกระทำเกิดขึ้นมารับผิดชอบรวมกันรับนด่งแยกตัวเรา คนดีอยู่ที่ไหนเมืองใดเมืองใดคือคนดีขี้ไปหาใครต้องขี้เข้ามาหาตัวเองเลยเราเละเป็นคนดีลองมาคิดจากนี่กันทุกคนดูไม่ต้องขี้หาคนอื่นเอาเราเป็นลูกพ่อนี่แม่นี้ลูกสาวลูกชายของพ่อแม่นี้เราจะเป็นค น, คนหนึ่งแล้ว ้ำลงมตกุลเ้าเป็นสามีของพัญญาเรานี่แหละจะเป็นผัรสาที่ดีเรานี่แหละจะเป็นพัญญาที่ดีเหมือนลงตาไปดูพวกฮินดูเขาแต่งงานเขาจะขึ้นสู่เวที และบางคู่เาวสาวแขกไปเต็มเป็นจำนวนมากเขาจัดไปทีปตประดาประดบราบด้โบดอกไม้เขาขึ้นยืนบนไวทีเขาขึ้นยืนบนไวทีเจ้าเาวขึ้นไปเจ้าสาวเอาผ้าปิดหน้าไว้ ออไม่ม oh, wow, wow, ือน oh. no ิ c, o, mai, ้วเท่าหวานเท่าก็ไม่เห็นปิดหน้าไว้ถ้าดำดำปิดหน้าไว้เจ้าเบาขึ้นไปก็เปิดหน้าเปิดหน้าออกก็จูบเพียมก็ทดหน่อยคนก็หวานดอกไม้ดอกมะลิส้นปุ๋ยดอกไม้ใส่เจ้าเบาก็มาจับไม่พูด ข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่ดีของภรรยาข้าพเจ้าจะมีภรรยาคนเดียวเท่านี้ข้าพเจ้าจะเป็นพ่อที่ดีของลูกพอพูดขึ้นประชาชนแขกที่ไปบ้านหลงไม้หลงบุยบุยบุยบุยบุยบุยบ ออกมาเออเจ้าสาวไปจับไหม่พูดขึ้นข้าพเจ้าจะเป็นพัญญาที่ดีของสามีข้าพเจ้าสามีสามีคนเดียวเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจะเป็นแม่ที่ดีของลูกคนแขกไปหวานรองไม้รองสายแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เขาไม่ทอดไม่ทิท้งกั น, นสัญญากันต่อหน้าต่อตาประชาชนเต็มบ้านเต็มเมือง น, นี่คือสัจจะความจริงใจประพฤติอย่างใดต้องทำได้จริงมันก็มีอยู่ที่คนเราเนี่ยมันล่มเหลวทำไมวุ่นวเฮลักๆเกียดๆชังๆกันทำไมให้มันมั่นคงเจย แล้วก็มีประโยชน์ถ้าเราเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขเห็นท้ากันนี่ได้สวรรค์ได้นิพพานสามีเห็นหน้าพัญญาสามีได้นิพพานเย็นใจพัญญาเห็นหน้าสามีย่่เย็นใจสามพัญญาได้นิพพานมันมีผล เราก็มีเป็นสัตว์สังคมมีสามีภรรยาลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องบ้านประเทศชาติของเราเป็นคนดีเนี่ยเราก็จะไ ม, ม่เปลี่ยนใครเราจะไ ม, ม่เปลี่ยนตัวเองเนยทำลงไปทำได้ขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่สุขโตเนี่ยร่วมกันเถอะพวกเราแล้วก็ทำงาน เราก็พึ่งกันได้ยิงพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่สายถูกใช่ไหมสายสุกเลยนี่เป็นหมอหมอคนนั้นนะจนแต่แพทย์อะนี่ไม่มีประโยชน์นะหลวงตาลอดตายมาก็ี่มีพวกหมอเนี่ยหลวงตาเห็นพยาบาลเหมือนเทพธิดาเลยเห็นหมอเหมือนเทพประภเลย เอาชีวิตเราเขินมามันมีประโยชน์จริงๆแนละ้วควมรู้ที่ท่านเรียนมาสาเร็จประโยชน์ได้ประโยชน์หลวงตาได้ประโยชน์พราะแม่ส่งลูกสาวลูกชายเรียนแพทย์เรียนหมอมาพวกเข า, เา่โอสถิปัญญามาช่วยเราเราหายใจไม่ได้เป็นโรคมะเร็งตันคอหลอดลงตายไปแล้วง้อเขินมา เขาก็รู้เรื่องหยกเรื่องอยาสั่งมาจากสรารตอนะขณะที่อยู่ในห้องวิทยุเด็ดขาดไปเลยหลงเพื่อความเขียนป่วยเป็นโรคกอนเน่าในตับยังไม่มีอย่ารักษาเลยพ อ, อเขาอ่านให้ฟังเราก็ฟังเราก็ไม่เดือดร้อน โรคบังอย่างรักษาได้โรคบังอย่างรักษาไม่ได้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วทำใจไม่ได้กลัวตายแล้วก็ก็หลังหลวงพิหวานชุฬาแปลกไปอีกที่เป็นเป็นก้อนเนื้อในตับมันขยายเปรียวก้อนเนื้อโตเร็วลาคอมันเป็นโรคต่อมน้าเหลืองก้อนเนื้อโตเร็วในลำคอมันตันคอหายใจไม่ได้ไปช่วตับอ่อน เออถ้างั้นรักษาได้ให้ฉีดจีโมตัวหม่อยให้หลวงพ่อโดยด่วนเพื่อจะเกัดคอนู้ให้มันจุบให้หลวงพ่อหายเจได้พ้าพเจ้าปฏิเสธวิธีการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นปฏิเสธทุกอย่างให้ฉีดจีโมเข้าไปดยด่วนน่ะเราก็มีความรู้แบบนี้รอดตายมานี่ประโยชน์จริงๆคนเราเนะ่ มีวิชาความรู้เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ได้แล้วก็เราก็อยู่ในชีวิตเราไม่มือห้านิ้วมือห้านิ้วสิบนิ้วเอามาทำอย่างนี้มายกมือไหว้กันจะไปทำอย่างนี้มันผิดยกมือไหว้กันจิตใจก็คิดไปด้วยผู้จชงใดเมตตาออกหน้ากุณาออกหน้าทำเชิงใดผู้จชงใดคิดเชิงใ ด, ด, งใดอย่าไปชิดเขาคนี่เราเกลียดคขาเนี่เราชังมันผิด มองกันแบบเพื่อนเกิดเจ็บเจ็บตายแล้วไม่มีใครวิเศษใครก็ไม่เป็นใหญ่ในชีวิตเนี่ยป้องกันมันไม่ได้วันนี้ก็เจ็บอีกแล้วมันก็ไหลไปตาบเริ่อ ม, มามาช่วยกั น, นให้เป็นรอยเอาไว้อยความดีของเราเหมือนวัดเนี่ยไม่ใช่ของหลวงตาไม่ใช่ของพระ เป็นโมดุก ข, ของหลงบ้านพ่อของเราพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีแบบนี้ไม่มีเพศแบบนี้ไม่มีแม่ชีแบบนี้พ่อคือพระเจ้ามาบ้านพ่อเราให้มันเป็นของเรามาอยู่ด้วยกันประเทศไทยที่มาต้องเช่าเข้ามาต้องซื้อ ช่วยกันตามอัตภาพมาฝึกตรงดูมาพิสูจน์ลงรูอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อหลองตาหลงตาไม่แต่สอนให้ยกมือสร้างจังหวะตามแบบพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนถึงไงใอ้ันรพุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้าทําแบบใดใช่กําเนิดหรอือเป็นกษัตริย์หรอือเจ้าพ่อชายหลือไม่ใช่ สาหมันชนในกิเลสตัณหามีความโกรธความโลภความหลงยังห่วงพิมพ์พาย่างห่วงลาวุ่นยังคิดถึงประชาสามรดูยังคิดถึงเสาโตนงกำนานในยังคิดถึงพรดทรัพย์สินสะดึงคานทั้งหลายโกรธก็เป็นโกรธในปัญจวิชีก็เป็นขณะที่อก บ, บวชแล้ว นั่นไม่ใช่เราต้องมาเป็นเรื่องของกิจวิธีฝึกกิจทำไมกิจมันจับไม่ได้คนฉลาดไม่จน่ายหาทางเอาใจฝึกกิจจะทำาัวไหเอากายเป็นหลักซะก่อนเอากายเป็นฐานในพระสูตรบางต้บนบอกกอนคู่แขนเข้ามีสติกาคู่แขนเข้ามีสติ การเหยี่อแขนดอกไม่สติให้ลูกอยู่เนี่ยทาอย่างไรให้ลูกไประหว่างลูกการคู่แขนเข้าระหว่างลูกการเหยี่อแขนดอกมันไม่ใช่สติธรรมนามันค่อยๆเคยคุ้นชิดก็หยุดหลงหยุดหลงยุดหลงมารวมกันที่นี่เข้ารวมกันที่หนึ่งชั่วโมงโดยเฉพาะรูปแบบกรรมฐานสนะิบสี่จังหวะ จังหวะหนึ่งอาจจะวินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งลู่ไม่ใช่ไปคิดลู่นะให้สัมผัสสัมผัสเอาไม่ใช่ไปคิดเอาท่องจําเอาเอากายไปต่อเอาความรู้สึกตัวมาเคลื่อนทีละหนึ่งลู่สองลู่สามลู่สี่ลูห้าลู่หกลู่เจ็ดลู่แปดลู่ แปดลูสิบลูสิบเอ็ดลูสิบสองลูสิบสามลูสิบสี่ลูเอ้าสิบสี่วนาทีไปไม่หนีไปไหนไม่ได้คิดถึงพีบาแล้วไม่คิดถึงเราหมดมาลู่ตัวเองนะตัวเองสิบสี่วนาทีลู่ไปลู่ไปลู่ไ ป, ไปชั่วโมงหนึ่งสามันหกร้อยวนาทีอาจจะลู่ถึงสามพันหกร้อยโลมันจะมากลู่มากลูกมากล มันก็มีภาวะที่รู้ภาวะที่หลงเท่านี้เองเริ่มต้นชีวิตเรามันหลงมากหรือมันรู้มากดูแลตัวเองดูสำรวจดูชีวิตของเราที่มีมาถึงวันนี้ระหว่างความรู้จึกตัวระหว่างความหลงตัวอันไหนมันมากกว่ากันมีความเป็นธรรมตัวตัวเองไหมตัวมันหลงมัน เป็นยังไงความรู้เป็นยังไงสัมผัสตัวถ้าหลงก็เป็นอย่างนี้ถ้ารู้เป็นไงถ้าหลงก็ข่วมไวปิดถ้ารู้ก็หายออกรู้เปิดมันจะเปิดตัวเองออกมาเห็นกันสอนตัวเองเขาหยันรู้หรือว่าภาวานาไม่ใช่มาท่องพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธไม่ใช่เป็นภาษาพูดเป็นภาษาสัมผัส รู้สึกตัวภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าสติภาษาบ้านเราเรียกว่ารู้สึกตัวภาษาพลังเรียกว่าเอาแวนอันตรไปสอนฝลังนะเอาแวเอาแวภาษาบ้านเราเรียกว่ารู้สึกตัวภาษาประเทศเราเรียกว่า หัวเมียหัวเมียมาแล้เาเรียกลูกมึงหัวเมียเราไปเดีวนี้ปลุกลหัวเมียเราหัวเมียเรวเออหมายนั่นเมียเรามันซอยตัวเองเลยแต่ถ้ามันหลับถูกมันซอยปไปเลยมึงหัวเมียเรื่องควยขามันหัวเมียเราหัวเมียเราบางที่มันเพอเอเอแม่เจ้าคกับผ้าคุย หงเมี่ยรไปหงเหมี่ยวเรไปหงเหมียวเรามาบางที่วันเท้าคอยเป็นอย่างไงมันบุลูไปแม่บ้านก็นบุลูถ้า ป, ป, ปลูกพ่หงเหมี่ยวมันเลนหนีจากไฟได้อันภาวะที่รู้ที่ตื่นเนี่ยมันออกจากความหลงหลงไม่ถูกต้องรู้ถูกต้องขัวเมื่อขนตื่นหลงไม่เป็นธรรมความรู้เป็นธรรมต่อเรา ความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธความรู้เป็นธรรมที่สุตรรความทุกข์ไม่เป็นธรรมความรู้ตักตัวเป็นธรรมกว่ามันก็รู้จะช่วยตัวเองออกมาช่วยตัวเงมาแต่ว่าถอนออกมาวางออกมาแต่ก่อนเรายืดไว้เหมือนจะ ว, วางลงก็โบกขึ้นมาก็เห็นกระแสเห็นกระแสเหมือนเห็นทางที่เรียก a ลิป i b l i นี่ปีอยู่ที่ไหนหมกมุ่นคุนคิดอยู่ในดงแห่งความคิดพอรู้เช่อหน่อยก็เป็นกระแสหน่ยน้อยเหมือนแสงสวงออกมาออกมาแสงสว่างน้อยน้อยอะมันจะเป็นทางออกไปจะพบทางออกไปช่วยตัวเองอย่างนะแล้วมันหลงรู้ ก, ก็ไม่อยู่ ในความหลงในความรู้ไม่อยู่ในความทุกข์ในความรู้ไม่อยู่ในความโกรธในความรู้สึกตัวมาอยู่อะไรก็ตามภาวะที่รู้เนี่ยเป็นโพธิช่วยมนุษย์ให้พ้นจากพิษภัยต่างๆจึงมาทําเอามาทําเอาหรือว่ากรรมฐานนั่นี่มันมีอยู่อย่างนี้มาพิสูจน์เอกเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องรอเอามือวางหัวเข่าดูอาจารย์น้องชิญของสอนแล้วเดิมืออยู่ที่ไหนเราก็รู้เอาวางดูวางดูวางดูมีพ้กเข่าไหมมีขาไหมมีมือไหมไหนมือข้างขวายกขึ้นดูสิข้างขวากำมือดูสิมือข้างขวายู่ที่ไหนถามใครไหม มีคำถามไม่มือขวเราอยู่ที่ไหนถามไหมไม่มีคำถามใครเป็นคนลูกเราเป็นคนลูกขอบคนวางลงให้ลูกแบบนี้นะเอามือวางไว้บนเขา่เาเดี๋มือของท่านอยู่ที่ไหนตอบไปเงหรือ ว, ว่าถามค่ะหลวงตามือผมอยู่ที่ไหนต้องถามหลวงตาไหมถามไป่ะไม่มีคำถาม ชัดจะทำไม่มีคำถามไม่จะคำตอบเราต้องตอบเองเราต้องตอบเองนะแต่แขงมือข้าง ข, งขวาตั้งไว้แต่แขงแล้วหรือยังเห็นไหยหลังตาว่ามือข้างขวาท่านยังไม่แต่แขงนะพ่วมอยู่เชื่อไหมฮะต้องเชื่อหลวงตาหรือเชื่อตัวเองอะนี่คือจัดเจนทำยุ่งขึ้นระูนะ เราลู่อยู่ที่มือวางลงหน้าท้องลู่อยู่ที่นี่ตะแคงมือข้างซ้ายลู่ยกขื่อนลู่ที่นี่เอามาอกบมือข้างขวาเนี่ยมันอยู่ไหนมือเราเลื่อนมาข้างขวาเหนือข้างซ้ายหน่อยนางลู่นะคลืนที่ใดลู่ทนั้นลูไปกับมือเอามือเป็ น, นมิดวางลงเพื่อลง ยกมือข้างซายขึ้นมาหน่อยนะไม่ต้องยกถึงหน้าอกผู้หญิงไม่มีหน้าอกเก็บไปยกขึ้นหน้าอกอมมือหน่เนาะเอาไปข้างข้าออกไปหลงรองรู้สึกเพิ่มรงรู้สึกเดี๋ยเมื่อกี้ไปอยู่ไหนล่ะไปอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดอยู่ที่หรือไ้กลับไปอยู่บ้านอยู่นี่อยู่ที่มัอยู่ร อ, อ, องรู อยู่ที่นี่อยู่ที่อยา่าหนีไปจากนี่อยา่าหนีไปจากนี่พระเจ้าว่ า, านี่เราจะไม่หนีจากที่นี่แม่เลือดเงือ่อเงอเอ็นจกหลุดกผรผปูพังก็ตามเราจกไม่หนีจากที่นี่ไม่หนีจากโพธิเนี่ยคือโพธิคือสติปัญญาลู่ทุกตัวเนี่ยไม่ต้องรอนะพลิกขึ้นลู่ ท, ทันทีไม่ต้องรอเหมือนกับปลูกข้าวปลูกข้าวต้องปีหนึง่งครึ่งปีจึงค่อยได้กิน ปุสติรู้ทันทีแบ๊บเดียวเป็นปัจจัตังปัจจตังเบคิดาโพวิญญูหิตเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งวิทยาศาสตร์อีกที่สวดได้โยกขึ้นก็รู้นะอันนี้ก็รู้ไม่ต้องรอทำอันนี้ไปรู้ผู้นี้ไม่ใช่เดมือนเดิมมันต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยเดี๋ยวนี้มันก็มีกที่เนี่ยมันทำได้พระธรรมพระพู้มีพระเจ้าตัดไปดีแล้ว ดีที่สุดไม่โตไม่ได้ตัดลงไปได้ผู้ศึกษาปฏิบัติต้องทําด้วยตนเองใครก็งเอามาทําด้วยตนเองให้ทําแทนกันไม่ได้จะรักพ่อรักแม่รักลูกรักเมียช่วยกันไม่ได้ถัาจะทําเป็นอย่างแน่ทํำเองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการความรู้สึกตัวไม่มีเวลาไม่มีการเวลาอยากรู้เวลาไหนก็ได้ ไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวัดไม่จํากัดการลูกขึ้นมาเอ๋อปฏิโกนะน้องหมาเซลอโอปนันอกรประกาศให้คนอื่นลูกว่ามาทำนี่มาทานี่มาดูนี่มาดูนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้อย่างจริงในธรรมที่คนลูกคนเห็นตามทุกวันวเจผู้ปฏิบัติ คนขยันรู้มากก็ได้รู้ว่าคนไม่ขยันรู้ก็ไม่ได้รู้จริงจังตรงนี้ชักหน่อยทุกทีพสูจน์ดูนะหลงตาก็พูดให้ฟังอย่าไวาเชื่อหลงตาให้ทำดูก่อนมันเป็นยังไงสองปรดตูความหลงความรู้มันต่างกันไหมมันจะเจอระหว่างหลงระหว่างรู้สองประตูนี่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 ขึ้นมาเพื่อมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไมต่ต้องหนีไปไหนบ้านเราเมืองเราเราต่อไปสอนธรรมที่ประเทศจีนกับจาโนดเขานั่งรถไฟมาปฏิบัติธรรมสี่วันขนจีนนะนั่งรถไฟมาปฏิบัติธรรมไปอยู่เสียงไฮ้เขานั่งรถไฟมาจากนนน <c oughs> เลยปกิ่งไปนะทิศเห น, หนือน่นจากเชียงให้มันเป็นเมืองท่าทางทิศทิศเหนือตอนใต้ตอนล่างของภาคตอนออกแล้วก็นั่งจากรถไฟมาจากเหนือสุดมาถึงเชียงให้สนะี่วันโดยที่มาปฏิบัติธรรมหนาวหนาวศูนย์ลบ หกองศาเขาจังเดินจุกกรมตากหนาวได้ม่น่าน่าศัทธ า, ามากันพวกเราคนไทยถ้าคนไทยไม่บรรลุ ธ, ธรรมไม่มีคนไหนนอกจากคนจีนเดี๋ยวนี้สุโกโตจะไปสอนธรรมะที่บมงจีนแบบนี้สามเดือนไปข้างหน้าสามเดือนไปข้างหน้า หลายคนที่พูดเรื่องนี้กันแม่ตุลนดาไปสอนทำที่ศารัตน์เขาก็ยังบอกเลยอย่าสอนแบบอื่นนะังหลังมันบอกไม่ต้องสอนเราพาเราทําเขาไม่เชื่อจะมาสอนแบบหลวงตาพูดอยู่นี่พาทำไรให้สอนแบบหลวงกว่อเทียนแบบอื่นอย่าเอามาสอนแน่หลงวงพ่อเทียนนะั่ง สอนแบบหลวงพ่อเถียนสอนเอาแบบเติมเดิมพระพุทธเจ้าก็บอกการคู่เฉียนเข่ามีสติการคู่เฉียนเข้ามีสติการเหยี่อเฉียนออกมีสติเนี่ยทาอยู่เนี่ยถ้าทำจริงน่ะพระพุทธเจ้าทำาพืนเดียวถ้าลู้โตเนื้องโตเนื้องโตเนื้องโตนื้องโตนื้องไปเรากำมังทาได้ จะกินยังไงจะนอนไหนไม่ต้องคิดจะกินยังไงไม่คีคิดให้ได้ไหมจะให้กินอะไรวันนี้มีไหมฮะมีไหมอาหารกินไหมอิ่มไหมแลิฟรองนะถ้ากินไม่อิ่มเหรอไม่ได้นะฮะช่วยกันไหมแม่คีแม่โรงทานปรุงอาหาร มีน้ำใจนะใจดีๆอมยิ้มตำน้ำพริกอย่าหน้าปูดตนเะบื่อนะตรงอาหารเหมือนกับแม่พุงงานให้ลูกกินเราเป็นแม่แม่ครัวแม่ครัวแม่อาหารเนี่ยอ้าวก็สมควรเจอหลักกับพระพร้อมกัน